ผมเป็นเด็กใต้จำไมาดาถี่จากบ้านมาแสนนานนะ ก็ยังจำแต่เรื่องราวที่ตัวฉันเคยผ่านมาอาจจะมีบางครั้งเราวที่เขียนถึงย้ำรักได้เราวันที่ลบมาคิดถึงตักที่เคยนอนเละหลับตาเยื่นีิทราอยากฟังเพลงนี้ย้ำแต่ในหัวจใจแม้ยูจายันไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรก็ยังคิดถึงทุกทีที่เรา